ข้อความในปฏิสัมพัน ธ, ธามรตต่ออีกเลยนะเนื้อหาของการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะอบรมสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามวัตถุประสงค์ที่ประชุมลงแห่งสมถะวิปัสสนาก็คือการแทงตลอดทัานิพพานหรือเป็นการประชุมพร้อมกันที่เรียกว่าอาริยมรตใช่ไหมดังนั้นการเจริญทั้งหมดก็เพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิมครคสกัาคามีมร อนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคผลของมรรคก็เรียกว่าผลในครั้งที่แล้วเราได้เรียนมาถึงหน้าสามสิบหกนะมาต่อหน้าสามสิบหกในข้อสี่สิบเก้านะถ้าใครมีประไปิฎกก็ข้อสี่สิบเก้าว่าโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสมมาบัตสกาทาคามีมรรคสกาทาคามีผลสมมาบัตอนาคามีมรรคอนาคามีผลสมมาบัตรอรหัตตมรรค อรหัตผลสมาบัติโสดาปฏิมักนั้นโดยโดยอัถฐหมายถึงการถึงกระแสการถึงกระแสแห่งพระนิพพานเนี่ยนะถือผู้เห็นพระนิพพานเป็นครั้งแรกก็ได้โสตฯนี่แปลว่าถึงกระแสโสดาปฏิมักก็คือมักที่ถึงกระแสมันวิปัสสมะถาวิวปัสนาที่ประชุมพร้อมกันทั้งแปดองค์เนี่ยนะ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปตะสัมมาวจจะสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดที่ประชุมกันเห็นพระนิพพานครั้งแรกนั่นแหละเรียกว่าโสดาปฏิมรักผู้ที่ได้โสดาปฏิมรักเนี่ยนะหลังจากนั้นท่านก็เหมือนกับว่าได้อภิเสกแล้วเรียกว่าสัจจาภิเสกเคยได้ยินไหมการบรรลุโสดาปฏิมรักเรียกว่าสัจจาภิเสก อภิเสกด้วยอภิเสกด้วยสัจจะเนี่ยนะก็คือปริญญาพิเศกนั่นแหละอาหาราพิเศษเนี่ยนะหมายว่าอภิเษกด้วยกำหนดรู้อภิเสกด้วยการล้างด้วยการทําให้แจ้งด้วยการเจริญท่านถือว่าเป็นการอภิเสกการอภิเสกที่บรรลุโสดาปติมภานั้นท่านถือว่ายิ่งใหญ่กว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิพระพเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลายก็พ้นอบายทุกขติวินิบาตหรื อ, อยังก็ยัง เมื่อท่านเหล่านั้นยังไม่พ้นอบายพระโสดาบันท่านพ้นพันโสดาปฏิมาิกษนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิมีอยู่ครั้งหนึ่งในในเมืองสาวัตถีท่านอนาถบินทิกาเนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งไม่ยอมเข้าวัดฟังธรรมโดยประการทั้งปวงนะเป็นลูกชายที่เรว่าไม่สนใจธรรมะทำมอะไรเลยพ่อเป็นถึงพระโสดาบันเจ้าของวัดเนี่ยนะลูกไม่ฟังธรรมเนี่ยพ่อชัก ลำบากใจเอาอยัางไงดีก็ลเลยจ้างหนยไปฟังธรรมนะพอให้ห้าร้อยเออไปรักษาศีลอยู่วัดหนึ่งคืนนะห้าร้อยห้าร้อยกะหาปะนะสมัยนั้นนะโอ้หลายพันนะโอ้จะไปยากอะไรแค่รักษาศีนไปนอนอยู่วัดคืนนึ่งกลับมาได้ตั้งห้าร้อยก็เลยรับแต่ก็เลยไปนอนอยู่ใต้ได้ธรรมาสนั่นแหละใกล้ๆพระเทศนั่งนอนไปเช้ามาไปถึงก็พ่อเขาก็เตรียมอาหารเอาไว้ลูกจะกินอาหารก่อนหรือจะรับสตังก่อนบอกเอาสตังก่อน พอได้สตางและกินข้าวทีนี้เอาใหม่พ่อก็เอาใหม่บอกลูกไปฟังนะลูกจํามาสักคาถาหนึ่งก็แล้วกันสองบรรทัศนเนี่ยแล้วพ่อให้พันหนึ่งเลยทีนี้อู้สบายมากอย่างงี้ก็เลยไปอีกครั้งนี้พระพุทธเจ้าเทพพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมก็ตรวจดูอุปณิสัยว่าเจ้านี่มีโสดาปติมักอยู่เป็นอุปนิสัยก็เลยพ่อบอกว่าที่ฐานว่าขอให้อย่าจําได้ให้ฟังเลยแล้วก็เลยนั่งฟังอู้จำสองบรรทัดจะไปยากอะไร ฟังอยู่ตั้งนานมันก็จําไม่ได้สักทีแกก็เลยเลิกคิดจะจำเนะีก็เลยสนใจเนื้อหาไปเอ็มเป็นยังไงเป็นยังไงคิดตามใครครวรตามที่พระพุทธเจ้าสอนสว่างแกก็บรรลุเป็นพระทศดาบันเป็นพระทศดาบันวันนั้นเนี่ยอนาถานิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านลูกชายนาทบินทิกาก็เลยอุ้มบาดตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปพอไปถึงเนี่ยพ่อเนี่ยควักสตางใจเลยเพราะครั้งก่อนนี่ทวงไงไหมครั้งนี้ควักายเนี่ยลูกก็อายมากเลยนะอายพระพุทธเจ้ามาก พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเรื่องมันยังไงกันนาะถาก็เล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโซดาปฏิมรของลูกเนี่ยนะของลูกชายเนี่ยบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิเอาโซดาปฏิมรเนี่ยนะมหารสิบหกหารสิบหกแล้วเอาหนึ่งมาหารสิบหกอีกครั้งหนึ่งอธิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิยังไม่ถึงเศษเซี่ยวที่สิบหกของสิบหกที่ว่าเลย เ น, ใ น, นี่ยนะพนถือว่าโสดาปฏิมักนี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นต้นพันจึงควรที่จะภาคเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งแกงตลอดโสดาปฏิมักเมื่อโซดาปฏิมักเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีคุณพิเศษขนาดนี้ดีเยี่ยมขนาดนี้ควรหรือที่เราจะทําด้วยความประมาททําแบบทิ้งๆิคว้างคว่าแบบไม่สนใจเนี่ยนะ ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยไปดูงานบ้างไม่ไปบ้างนะเจ็วันเนี่ยเหลือตาดูสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปเรื่องอื่นหมดเลยเนี่ยถามว่าสมควรจะจะเจริญงอกงามได้ไหมนี่ก็เหมือนกันถ้าเราจะเจริญงอกงามด้วยอริยทรัพย์ทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าบุคคลที่ไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่เจริญอย่างต่อเนื่องไม่คู่ควรที่จะตรัสรู้โลกเนี่ยไม่สมควรที่จะได้โสดาปติมารา ท่านก็ยังว่าการเสียสละพงตรัสที่เมืองราชครึกที่ปรารบถึงเมืองภัยาลีว่ามัตตสุขะปริจาคาเนนะปัสเซเจววิปุลังสุ ข, ขังก็บอกว่าเมื่อถ้าหากว่าเห็นสุขอันไพยบู์สุขที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะที่เกิดจากการสละสุขเล็กน้อยหรือสุขพอประมาณผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจะสละสุขที่เล็กน้อย เพราะเห็นผลคือสุขอันไท่บูนทั้งการสละสุขเล็กน้อยเนี่ยนะเพื่อผลคือความสุขที่ไพ่บูนสุขที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจึงทุ่มเทเป็นอย่างมาก น, นะจึงควรที่จะสละสุขเล็กน้อยอ น, นะสละวัตถุกรรมเพื่อจะให้ทานสละการบริโภคการมบางอย่างเพื่อสมาทานศีลรักษาอุโบสถเจริญสมถะวิปัสสนาอันถ้าอบรมคุณธรรมเหล่านี้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้โสดาปฏิมักเนี่ยนะ คิดดูนะว่าหน้าดีใจขนาดไหนว่าปิดประตูอาบายทุกช่องหมดเลยใช่ไหมูมนรกนะนรกเนี่ยคุมใหญ่ใญ่มีแปดคุมก็จริงแต่มหาบริวาร น, นรกอีกทิศละสี่ทิศละสี่แล้วมีอุสุธานรกอีกสิบอันรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณห้าร้อยกว่าขุม้มนะฮะห้าร้อยกว่าคุมไม่ใช่ของจักรวาลเดียวมันมีทุกจักรวาลด้วยนี่เลยแล้วมูเดราชาเนี่กี่พันล่ะถ้าได้โสดาปฏิมัตถึงกระแสแห่งทนันิพาน ที่พระพุทธเจ้าตรัพเนี่ยนะประตูอาบายทุกประตูเป็นอันปิดสนิทหมดเลยเพราะเหตุปัจจัยที่นําไปสู่อาบายไม่มีะเหตุปัจจัยที่จะทําให้เข้าถึงอาบายไม่มีอันนี้เป็นอนุภาพของโสดาปิมัติเป็นอนุภาพของการเห็นพระนิพพานเป็นอนุภาพของการทําปริญญากิจทีนี้ผู้ที่เห็นพระนิพพานเนี่ยนะท่านก็สามารถเข้าพระสมาบัติได้สเสวยวิมุตติสุขได้ โสดาปฏิผลวิมุตติสุขหลุดพ้นด้วยโสดาปฏิผลเนี่ยนะท่านก็สวยสุขนั้นถ้าโสดาบัณท่านเข้าพละสมาบัติได้ทุกท่านเนี่ยนะก็สามารถเสวยสุขมีนิพพานสุขเป็นอารมณ์ในกระทั่งพระนนท์ท่านก็เข้าพละสมาบัติใช่ไหมเย็นเย็นเวลาท่านก่อนจะเข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเข้าพละสมาบัติก่อนออกจากพละสมาบัติพิจารณาธรรมแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านไปกล่าวธรรมะหรือสนทนาธรรมะกับพระผู้มีพระภาคเจ้ามันก็ ผู้ที่ได้โสดาปติพนก็เข้าพระสมาบัติอย่างมีความสุขเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่เห็นโทษของวะกะอบรมอนุปัสนาเจ็ดเอกนั่นแหละเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสกัฏาคามีมัจอบรมสมถาวิปัสนาจนอินทรีย์พละโพชงองค์มัจประชุมกันก็บรรลุสกัฏาคามีมัจถ้าบรรลุษสกัฏาคามีมัจนี่ท่านถือว่ามาสู่โลกนี้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะ เขาก็ามาโดยการปฏิสนธินะมาแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็พอแล้วนะถ้าได้โสดาอสกัตทาคามีมั๊กสกิงอาคามีแล้วมาครั้งเดียวก็พอส่วนสกัตทาคามีผลเนี่ยนะก็เหมือนกับลูกสาวอนาถาบินทิกาลูกสาวท่านมันลุเยอะนะก็มีอยู่คนหนึ่งอะ่ะที่เป็นคนนักชอบทําบุญตอนก่อนจะตายนางก็เป็นทศกัณฐาคามีพ่อก็มาเยี่ยมไข่ ันะลูกก็มาถามว่าพอทนได้หรือลูกบอกว่าพอทนได้น้องชายอนนั้นเรียกพ่อทุกคําน้องชายหมดเลยนะเสร็จแล้วก็ตายพ่อนี่ก็ร้องให้ใหญ่เลยบอกทําบุญขนาดนี้ยังเลอะเลือนขนาดนี้เรียกเราน้องชายตลอดเลยนะลูกเราไม่น่าหลงทํากาล่อย่างนี้กระสียะใจเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนัน้เขาว่าไงก็บอกเขาเรียกข้าพอง้าว่าน้องชายเหมงอนกันสงสัยนางเนี่ยหลงลืมสติทำกาล่าใช่ไหม พองค์ก็บอกว่านั่นเขาน้องชายโดยคุณธรรมเพราะท่านเป็นพระทศดานนางนี้เป็นทศกาธาคามีนางก็เลยเรียกท่านว่าเป็นน้องชายเนี่ยนะแล้วก็น้องชายเนี่ยนะเรียกพ่อว่าน้องชายนะเพราะว่าเพราะลูกไม่ได้สากัธาคามีใช่ไหมส่วนอนาคามีมักเนี่ยนะอนาคามีมักแปลว่าผู้ไม่กลับมาสู่มักที่ทําให้ไม่กลับมาสู่การมาพบโดยปฏิสนธิ ไม่ต้องมาปฏิสนธิในการมาพบอีกต่อไปหนก็เกิดในพรหมโลกในสมัยพุทธกาลนี่อย่างเช่นนางสริมาเนี่ยนางสริมาก็เป็นหญิงนามเมืองหญิงโสเภณีเนี่ยนะฟังทำเป็นพระโสดาบันตอนหลังนางก็ตายตายแล้วก็เป็นทา้อาอ่าเหสีของเท้าสุยามนะเป็นเมห์ศีของเท้าสุยามพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนางก็ลงมาฟังฟังจบก็บรรลุปเป็นพท้านาคามีเลยไปถึงพรหมโลกนลยคนนี้นะ ไม่กี่ไม่กี่เวลาเท่าไหร่เนี่ยนะตอนนี้นางศริมาเนี่ยเป็นเป็นพรหมผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นพรหมชั้นอนาคามีด้วยไม่ธรรมดาดงนั้นท่านจะไม่กลับมาสู่การมาพบโดยปฏิสนธิอีกต่อไปดัง <c oughs> นั้นท่านอนาคามีนี่สมัยพุทธกาลเนี่ยนะเยอะมากๆเลยเยอะมากไปดูในอ่า ช, ชวนะอะไรนะเชื่อสูตรแล้วนะ ชนาวสภสูตรเนี่ยนะที่สูตรที่กล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะสูตรนั้นเนี่ยกล่าวถึงว่าเมืองราชครกเอเขตมคตเนี่ยบรรลุไม่ต่ำกว่าสองล้านกว่านะไม่ต่ำกว่าสองล้านห้าบรรลุมากจริงๆเลยนะมันเหมือนกับว่าพระอริยะเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่อย่าลืมว่านั้นสมัยพุทธกาลนะสมัยนี้มันก็อย่างว่าไปถึงก็เมือกเหมือนกับว่าโบราณนแถวนี้มีแต่ต้นศัก์เนี่ยงามหมดเลยไปตอนนี้ก็เหลือแต่ป่ายญ้าคา ก็าไาต้อคิดอะไรมากว่าตรงนี้เคยมีต้นไม้แก่นงนนั้นนะนี่ตอนนี้เหลือแต่ป่ายญ้าคาแล้วนี่ก็เหมือนกันผู้ที่บรรลุในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านบรรลุมากเริงๆนะชาวอังคะชาวมคตชาวกาสีชาวภัยสาลีอนะชาวทั้งหลายชาวสักกะเป็นต้นเนี่ยเขาบรรลุ ก, กันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะผู้ผู้มีบุญทั้งหลายเข้าไปประชมกันเขาได้พบพระพุทธเจ้าเขามีทัศนานุตริยะได้เห็นพระพุทธเจ้าเขามีสวรานุตริยะ ในฟังธรรมของพระ อ, องค์ได้มีสิกขานุตริยะประพฤติอิสิกขาสามท่านเหล่านั้นก็เลยได้บรรลุมรรคผลตามสเสด็จพระพุทธเจ้า